วัดของพระพิโสผู้นำกรรมฐานไปและนำกรรมฐานกลับว่าเพกกโใดยลุกขึ้นแต่เช้าตรู่บำเพ็ญวัดทุกอย่างโดยนัยะก่อนนั่นเทียวนั่งขัดสมาธิมนานสิการกรรมฐานอยู่จนถึงเวลาพิกขาจารนะถาว่าแต่เช้าตรูเนี่ยนะทำอะไรบ้างก็คือตื่นแต่เช้าตรูททำเจตยังคณะวัดโพที่ยังคณะวัดรดน้าที่ต้นโพ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 และปาริหาริยกะกรรมฐานสัพพะกกรรมฐานหมายถึงกรรมฐานที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงนะเป็นกรรมฐานที่ไม่ควรขาดเป็นกรรมฐานที่ใช้ได้ในที่ทุกขนทุกแห่งถามว่าสัพพธทกกรรมฐานคืออะไรคือเมตตาและมรณ า, านุสตินะเป็นกรรมฐานที่ควรบริหารให้ประจำเป็นปกติเลยคือเมตตากับมรณาสติ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 อันเพื่อนสะพรมจารีเหล่านั้นไม่กระทบกระทั่งย่อมผาสุขนะพันถ้าเรามีเมตตาต่อเออมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อเพื่อนพระเนนเป็นต้นอยู่ในวัดเดียวกันพระพิสุสมมัมเนยเหล่านั้นก็จะช่วยให้เราอยู่อย่างผาสุขเพราะเรามีเมตตาเพราะเมตตานี่ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์และเทวดาเป็นต้นนะพันเมื่อเป็นที่รักเขาก็จะปล่อยให้เรานี่อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างผาสุข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 ถ้าหากว่าเขาอยู่ อ, อยู่ที่ใดเขามีผู้ที่เขาเคารพเขานับถือเขาบูชาเพราะเราเป็นผู้มีเมตตาเนี่ยนะเขาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลจนเรามีความสุขอันนี้คืออา น, นิสงค์ของเมตตาเพราะว่าผู้ที่มีเมตตาตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์เ ท, ทวดาปกปักรักษา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 คำนวณล้เอาปีมาหารเหลือกี่เดือนเอาเดือนมาหารอีกเหลือกี่วันเอาวันมาหารอีกเหลือกี่ชั่วโมงเอาชั่วโมงมาหารอีกเหลือกี่นาทีเอานาทีมาหารอีกเหลือกี่วินาทีแล้ววินาทีมันแหมมันไม่หยุดนิ่งๆๆๆจังรวดเร็วอย่างนี้นะมันทําอะไรกันทําอะไรเดี๋ยวเพราะมันผ้าที่ช่างหูกทอไปแล้วเนี่ยทอได้เท่าไหร่มันก็เหลือน้อยเท่านั้นอายุที่เพิ่มเท่าไหร่ก็ปแปล ว, ว่าเหลือน้อยเท่านั้นเวลาที่เหลืออยู่ทําอะไร เออเนี่ยจากนี้ไปค่าแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงนี่ก็จะจะได้เวลานอนนะจากนี้ไปนอนทําอะไรนอนอีกตั้งหลายชั่วโมงนอนอยู่ทําอะไรตื่นขึ้นมาแล้วตื่นมาทําอะไรต่อเพราะมันขยับตัวไปหาความตายทุกทีติ๊กติก ต, ก ต, กตก๊เหมือนระเบิดเวลาเนี่ยนะทุกคนมีระเบิดเวลาติดตัวหมดเลยเนะไม่ไหนถ้าเราทําไม่ดีจะไปไหนก่อนเพราะรู้อยู่แล้วว่าโลกนี้จําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนนะ โลกนี้อันชารานําไปไม่ยั่งยืนโลกนี้จําต้องละทิ้งสิ่งทั้งพวงไปในที่สุดก็ชาราก็พาไปหามรณะเนี่ยนะมันต้องเจริญมรณานุสติก็หรืออีกในหนึ่งบอกโอ้ยอยเราก็ยังหนุ่มยังแน่นอีกนานเนี่ยนะเคยเห็นคนเด็กกว่าเราตายไหมเหมือนกันเคยเยอะแยะไปเหมือนกันเลประมาณนี้ฟังข่าวรุ่นน้องตายทุกปีไงรุ่ น, น, นอายุน้อยๆนะตายทุกปีบอกโอ้ยเนี่ยแล้วรุ่นพี่จะไปเหลือเรื่องเนี่ย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 ฝรั่งทุกประเทศแหละเกิดตายมากกว่าเกิดเรียกว่าที่ตายเนี่ยมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันแล้วที่เป็นอยู่นี่ก็ร่วงเชื่อไหมเราหายใจหนึ่งครั้งเนี่ก็ตายละมีคนตายละนะบางโรคเนี่ยนะตายปีละล้านเนี่ยนะแต่ว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชากร 5,000 กัล้านเนี่ยมันเฉลี่ยมันตายทุกวันอนะ่ะตายาวันละเท่าไหร่ดีก็ตายเท่าจํานวนที่เกิดนั่นแหละ นะเกิดเท่าไรมันก็ตายเท่านั้นไม่มีเหลือไม่มีว่างไม่มีเว้นจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตายเท่านั้นเลยไอ้ที่เกิดสัตว์ที่ผ่านมาเนี่ประวัติอดีตมากี่พันปีแล้วก็ประวัติเรื่องราวคนตายเท่านั้นคำภีร์ที่เราอ่านนี่เรียนเรื่องของคนตายที่เขียนไว้เท่านั้นเลยแล้วต่อไปแล้วพวกเราอีกห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะเราถ้าขอมาอยู่ว่าแปดสิบเศษไม่น่าจะอยู่อยู่ทําอะไรขนาดนั้นคางเหลืองอะไขนาดนั้นนนะ อีกร้อยปีข้างหน้าจะเหลือหรือเนี่ยนะชื่อเสียงเรียงนามในอันตรธานสูญหายไปหมดแม้แต่เชื่อยังไม่เหลือเลยะนะกระดูกเขาก็ไม่เอาไว้รอกเก็กะบ้านเมืองเขากันรกไปทำปุ๋ยทำอะไรไปนนเพราะฉะนั้นแล้วอีกต่อต่อไปนะเขาจะเกิดมาอีกเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้น ก็ระลึกถึงความตายว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยสัตว์ทั้งหลายที่กําลังตายอยู่ขณะนี้ด้วยพูดหนึ่งคำสัตว์ก็ตายหนึ่งคนเชืเอ่อในโลกนี้นะต้องมีตายทุกคําที่เราพูดทุกครั้งที่เราหายใจมีคนตายหมดอะ่ะแล้วเราอะ่ะจะรอตายหรือไหนนะอ้าวถามว่าก่อนจะตายเนี่ยจิตเนี่ยสมมติถ้าตายขณะเนี้ยควรจะเกิดที่ไหนดีพอไหมที่จะไปดี เอาไปดีเชื่อว่าว่าคุณมีบุญมากคุณสะสมบุญไว้เยอะเนี่ยนะคุณเกิดเป็นเทวดาแน่อยู่สักกี่วันเทวดาดิอะนะอยู่สักกี่วันของดาวดึงจาตุมดาวยามานินมาณรดีเนี่ยจะไปอยู่สักกี่วันยก็รู้อยู่แล้วว่าความสุขมันเร็วอะนะเสวยผลบุญเนี่ยเร็วมากเลยนะเสวยผลบาปแม้แต่สิบนาทีก็ยังคาอ่ะนะแต่เสวยผลบุญถึงจะหมื่นปีก็แป๊บเดียวเนี่ยนะแล้วถามว่าเมื่อหมดบุญแล้วไปไหนต่ออ่านะไปทำอะไร คิดนะว่าสัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็จักตายเราไปพบใหม่ก็ตายไปเรื่อยก็ล้เลือก ถ, ถึงว่าเราจะต้องตายนะอันนี้เป็นสัพพัทกะกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานที่ให้เจริญเป็นปกติอัตยาศัยจะได้ไม่ประมาทในกุศลธรรมนะเพราะผู้ที่เมาในความเป็นอยู่เมาในชีวิตทําตัวเหมือนไม่ตายเนี่ยนะทำตัวเหมือนตายไม่เป็นทําว่าทําอะไรอ่คนที่ทําตัวเหมือนตายไม่เป็นโดยมากไม่ทําบุญ จะไม่ทำบุญก็ทำบาปทำเป็นทำตัวเป็นศัตรูตัวเองวางกับดักสร้างระเบิดเวลาแกตัวเองมากมายมหาศาลเป็นคนที่สาบแช่งตัวเองให้ตัวเองเดือดร้อนต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะตัวสิ่งที่สิ่งใดที่เราทำนั่นแหละคืออนาคตต่อต่อไปของเราเพราะถ้าเราระลึกถึงว่าอีกหน่อยเราก็ตายแล้วสิ่งที่เราทำนี่แหละจะเป็นสมบัติของเราเราควรจะทำอะไรควรประพฤติไรสิกาไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะก็จะได้หันมาเจริญ อธิศีลสิกขาเพื่อข้ามจากอบายทุกขิวินิบาดนรกเจริญอธิจิตสิกขาเพื่อข้ามจากอะไรเจริญอธิจิตสิกขาเพื่อข้ามจากการมาพบเจริญอาธิปัญญาสิกขาเพื่อออกจากวตัตตะก็เจริญสิกขาสามเพื่อออกจากวัตะนั่นเองเพราันก็เห็นแล้วว่าโอ้โหสิ่งที่เราไม่ควรประมาทคือไตรสิกขาเพราะันถ้าเราทิ้งกรรมฐานนี่อะไรจะเกิดขึ้น ก็เลยหันมาเจริญกรรมฐานภิกษุนั้นก็บริหารมิตากับบริหารบริหารอะไรมรณาสนนติเป็นอย่างดีทีนี้ต่อไปก็เจริญกรรมฐานที่เหมาะกับจริต น, นะกรรมฐานที่เจริญเหมาะกับจริตเช่นจะตุธาตัววัดฐานกรรมฐานจเจริญธาตุสี่ก็ได้ผมคนเล็บฟันนั้งเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับทางผิด ม, ม้ามปอดเป็นต้นนะ น, นะครับว่าจะตุธาตัววัดฐานธาตุดินยี่สิบธาตุน้ํา สิธาตุลม6กธาตุไฟสหรืออสุภาษินะบพวกอสุภาษิตรับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตายแรกเริ่มในสองวันสาวันจนถึงกระดูกแหลกเป็นผงเนี่ยนะแล้วก็กสินสิบนะวันณะกะสินธาตุกสินเป็นต้นหรือเจริญอนุสติ10มีพุทธานุสติเป็นต้นกรรมฐานเหล่านี้เรียกว่าปาริหาริยกรรมฐานกรรมฐานที่ต้องบริหารให้เหมาะกับจริตนะให้เหมาะกับจริต เป็นกรรมฐานที่พิสูจนจะต้องบริหารรักษาและก็เจริญทุกเมื่อเพราะเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับอัธยาศัยแต่ว่าให้กรรมฐานที่เป็นพื้นเพประจำตัวเลยสองอย่างนะมรณ า, านุสติกับเมตตาเมตากับมรณ า, านุสติอันนั้นถือว่าเป็นยืนพื้นเลยเป็นยืนพื้นส่วนพิเศษพิเศษก็เลือกเอาวันใดก็ได้ในสุภาษิกษินสิอนุสติ10ถ้าเป็นที่อื่นเลยกรรมฐานควรบริหารเป็นพื้นอยู่4ีกรรมฐาน พุทธานุสติเมตตาสุภาพมรณะเนี่ยนะเรียกว่าพุทธานุสติเมตตาจะสุพังณมรณะสติประมาณสี่กรรมฐานคือเรียกว่าปริหาริยะกรรมฐาเออขอไปสัพพะักกะกรรมฐานควรเจริญเอาไว้เลยเป็นหลักสี่กรรมฐานคือพุทธานุสนติเจริญให้เป็นต้องให้เป็นนะไม่เป็นก็ต้องเป็นว่างั้นเธอต่อไปพุทธานุสติเมตตาเมตตาที่เจริญไม่เป็นก็ต้องเจริญให้เป็น อสุภะที่ไม่เป็นก็ต้องเจริญให้เป็นแล้วก็มรณานุสติไม่เจริญก็ต้องเจริญถือว่าสีอย่างนี้เป็นถือว่าเป็นสมบัติพื้นฐานของของของผู้ที่จะรักษาคุณธรรมชั้นสูงถ้าไม่มีกรรมฐานสี่ประการเนี่ยบริหารคุณธรรมชั้นสูงไม่ได้ก็นะอันนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติประจําตัวของผู้ที่จะเจริญงอกงามในศาสนาคือเจริญเมตตาเจริญอสุภะเจริญมรณนะและเจริญพุทานุสติเนี่ยนะผู้ที่จะเจริญงอกงามในศาสนาต้องมี ต้องมีเลยนะไม่ใช่ควรมีต้องมีเลยแหละแต่ที่เหลือก็เลือกบริหารเอาตามใจชอบนะเลือกเลือกรักษาอันใดอันหนึ่งก็ได้เนี่ยน ะ, จะเจริญทุกเมือ่อปริหารยะกรรมฐานนั่นแหลเรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานที่เราจเจริญเป็นปกติเนี่ยนะไม่ใช่สับพัทกะนะกรรมฐานที่เราพิเศษอันใดอันหนึ่งเรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานทั้งสองอย่างนั้นควรจเจริญสับพัทกะกรรมฐานก่อน ถ้าจะเจริญกรรมฐานนะที่จริงของของเราทั้งหลายที่ใครที่สวดมน์เนี่ยนะในขณะสวดมน ส, สัต์สันเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันนั้นก็ผู้ทานุสติแล้วใช่ไหมต่อไปแตบางพวกก็เจริญมรณะด้วยสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจากตายด้วยสัตว์ทั้งหลายกําลังตายอยู่ด้วยความสงสัยในเรื่องตายไม่มีแก่เราเลยเป็นตนน้นเนี่ก็เจริญมรณานุสติแล้วก็บางคนก็เจริญสาธยายอาการ12เลยนะ อาทิมาสมิงกาเยเกสาโลมานาคาธันดาตาโจมังสังเป็นต้นนั้น